บาลาม巴拉ภูเต right ่าภูเจสมไมเก่าคนเคยบอกไห้ฟังแต่สำารับกันล่าที่นี่มากทําน้องไดเอนโบกฮุยบัวห็นนักเตะดุนนี่ภูเต่าภูเจคนี้อนคนจีจำติดปาก0ิดข้อต่อกันมากเป็นภาจีที่จะให้พวกเข้า เหน้าก้าวไหวในเหลี like ่ยมข้นเกิ่นคนอดข้นอยาคนดูก้นหยาหาเสาจินเย็นเป็นจันทร์ปันเคยเกื่อนเสาต้อนเสาอยู่กรบตอกตักหิงห่างมาแลยเสัก็เด็กตาตากซุ้มท่องเป็นสิบหนึ่งวันะ เงี้ยเงีก็ตอบเงีหน่อยเียู่เียเกิดิดเสียงอาจีดารแนผู้เียว่ามันทุกมั้งผู้ผัวผู้ผัวหรว่ามันถูกมั้ผู้เงียเกิดหน้ามือได้เลไ้กันนี่กันแิดเสียงก็ะบวนกันยัน อ่บนนี même, ran, ้จกันอยากนีกันยึดก็ได้เดี๋ยวจำอีกท่านสั่งไว้รวมกันเบียอหลายนายหลายหนีก็ได้ต่อมาได้ห่อนก็จึงพอยิ่มราชันคนจันกันฝันคนเกลือจาได้ถ้ายิ้มไปแล้วล้าใจจาก้ายจหวน เนี่ยเจิ้มจะอย่างนี้ด้วยบอกจะเที่ยวจง่ายจะลำบากลำช้านอย่างนี้เลยแล้วผู้พัวก็ยิ่งขี้เงี้ยอยากฟ้าผัวผูัวก็อยากฟ้านี่ไงเจ้า้ากันบ่ได้บาดหมีไปเลยไปยินงเลยแต่ย่างนั่นจะมากเนี่ได้แต่ตองตาเนี่ได้ไหจชนะของเจ้าเป็นย่างได้ขอเสียเพื่อเทื่อตอบบงให้เจ้ารับตาด้วยวะสิ จรับสารเลยถ้าใสถ้าใส่ไปเชียงวัสนะสถานที่นั้นนี่สายวัสนะต้นแหนยใ น, นสถานที่นั้นคือกัรกับสายเทเลสเทเลสับไปเร่วม ก, กั น, กนจะมากสายใดญจะเลือดออกสายนั่น ้เจ้าคนสิปัญหใ่เราให้เจ้าสามเรียงสายนีไปจ้าสิบบริเตนนี้คนอื่นก็จะเดือดเอาอินเจ้าหาเอาอินหรือคนมาคสอบใจของเจ้าเพือนเถอะเบืองแล้วไปเดือหน้าสามารถายนั่นกบูสายอินก็บมากบก็้านักเราึ้ใจจับรับตานั่น สายมากมากถือแต่ปะาผูเก่าหันเนี่ยผู้เก่าหันมาสั่นนั่นมากเลยนะเนี่ยเราไปทดสอบที่พกผู้เก่าที่กันมันมาเป็นสายนอื่นสายของวาฒน์นนมันเป็นไมอยางนั่นดินล้นตะวันตวัจะนีคือไรบ่ได้พระวาสตของห้องมันเป็นทั้งนองนั่นเป็นสติอันหนึ่งจึงบอกในคำนี้กัน ก็ขวก็คือว่าเนี่ยบวบีจัง oh สันจังสีจี้เกียจขี้ข่ารัดเอาเปียบเฮ็ดเอียงกับบวบยบว่งามเก็ดยุ่ยเฮ็ดินกับบวบแบบวบนัววัวไปบคือจิ้นทุกอย่างแต่คิอจิ้นวัฒนะข้องเฮ้ากูเนี่ยกับื่ยกันขวบก็จอมสีเก็ยจี้ผ่านเรียโบเรไ่กินเหล้ากินยา งานอนนะไรก็วยัยไทยนี่ใชเนี่ย ห, หายเหงินหาเกียร์ฮะพวกปาร์ ต, ตายางนั่นตอนนี้ต้องก้เคล้าคล้องตัวบริเวณนี้วาสนาเก็บของนั่นก็คือเกีดยงทะเลาะว่าแหวนกันสันดอวาสนาข้อง เ, เท้าพวกป น, นีเนาอบาลานีข้อง เ, เท้าพวกปนีเอาใจใดคือ ย, อนในในยางมาเป็นหลูมเป็นหัวเส้นทั่วโลก เข้าก็เลียกหาได้เท่านั้นผู้อื่นแต่ยิย้ผู้คนสีหาสีแยงสีเร่ยนสีดูแต่แค่ให้ยังเมี่มงสาวก็่สีหาได้แต่เข้าไปมาสอบใจผู้นั้นผมก็ได้ผู้นั้นมากผู้นั้นติดนจจกันไปไลจังสันไปลาจังสีมันจะบวดีดีวนาคจะของมันทาให้เสียหาย ยื่ลันบมเป็นซุกน อ, อกจากนั้นเป็นเตาไหวเคร้่องชิบไม่มีวัสนาตื่นมากกไปหาอยากหากินหาควายเตาควายเล่นนี่ันดีท่านสลัประหละชื่อกั น, นยินมากจากปากผู้เถาผู้แจกแต่สมัยเป็นเล็กน้อยึอุณฟอนคะนเราเห็นตั้งอันนี้สองเถาตายง่ายชื่อกันไปหาควายเตา มาเหมือนกันปะฮะคือก็หอแต่คัวแล่นเราคือว่าดาอาลากเล่ยสงสารเท่านีก็ทุกยากลาบากลำข้านะแต่เราจะแล่นไปเนี่ยเขาแหลกหนาไปเสือแปลายแต่ไม่ว่าสีหล่าสีเลื่อยสีไดสีดีสีมันสีนี่น้าเขาเราว่าเหนตาสงสารแค่เดียว ให้เงินให้ท่องไปตั้งไว้ให้มันจะหน้ามันเคยเชื่อว่าแจวนีดอกคันไปตั้งไว้คันถือว่ามือสละควแล้วเยอเงินจะเอใหม่ตัวนั้นเยอะเงินจะเจอใหม่ตัวนี้จำไปก็บอกว่าทราบล่ะก็่แล้วอะไรอย่างไรเล่าเอีหยงให้จิตจำไปให้นง้นให้ท่องไปตั้งไว้แต่น่ะบาดีก็ติดแฉลอยจะหน้าคันถือว่าควเตาต้องไปเจ๊จีดิบกันได้นีไป จำหัวแล้วก็หัวได้เลยล่ะแล้วก็ได้อียงเอาไปตั้งไหวบ้มันถืบ่นวัฒนธรรอะไรยู่ก็เถ่ะอันนี้ว่าิวันนี้เลยมาหาเอานามาให้หนาทนุมาให้แลยเจ้าอยาได้งินในท่องบปอยางใดแล้ววะสิเจ้าได้อยากได้งันเลท่องนี่เจ้ายื่นหนาขึ้นฝ้าได้กต่มันตกใส่ทงหน้าตกไปให้หน้าโสิควนให้เต็มให้หน้าตกใส่อะไรสิติคน เออเท่าอ <úsica> ันน no? ั้นพออันนั้นแล้ว่ายงวาสนาของเจ้าุณ้นเป็นยังไดแล้ว่าาไปจกได้แล้วรอออกไปหนกเพ่งย่หนาแล้วยิ่งหนาถึงเาเพือเสียงมัน้งให้หน้าเพื่อเสงด่เนื่ท่องเต็มให้หน้าตูสีให้ดนไปแต่มันเต็มโต้ลงให้หน้าเต็มให้หน้าตให้นอยหไงย่งขึ้นไปจนฝ่าล็ก มันแต่กูอีเรามาต๊กไปเกี่ยวบุบกแป้เลยได้ทอเกี่ยวบุบกันแล้วนั่นวาสนาต๊ะลงในหน้ามันบอสักดินแล่วเจมันมาสักเกี่ยวบุบกันโต๊กนั่นได้เลยทอดเกี่ยวบุบกันท้งั้านสิบคูโอไหขนาดนั่นมันก็ยังบุเป็นไฟเสนอหมายถึงคือติดบ่มีวาสนาเป็นบาลีเดโมนเป็นฟัน อยากได้ดินล่นมตัวก็กไหวกั น, นได้มีคูรเอามาให้มันก็ยังเปลี่ยนไฟมันจังเลยต่างวัฒนาหาเอาไหวสองเ้ยองตามที่อาจารย์ยังเทียดินเรียกอาจารย์ว่นมันดองบังมันเบียดีกว่นกรเล่า่ขอยกอาดมาสร้างหิ้วของตามบาทคงได้อินมันหรือของดี ไอ้มาหายไงใดอันไหนซีเอาบ้านเอาเมืองก็ได้ไห่อันไหนซอเอาไดวัดทางีเสามบาทเท่านั้นจีได้นั่นมาได้ม่เป็นผลสาเร็จหายจีเอาเงินเอาท่องเอาเงินมึงถึงเงินท่องลังไยลมากเดียวบริษัทบริวานเอาใครฝากคัะเงื่อนไหนไดก็ได้อีสามบาทเจ สองเขาตายง่ายมากศึกษาการท่าเที่ยวอนดเข่าอันเท่าพูดิ่งเข่าพูโลกอันันจะพูดสั่นแค่เห็นีมันยาียบเงยได้ปิดมว่ีอยากได้เงินได้โองในซอยของบัวเด้ท่านไปคิดถึงอันสงขวนว่ามันสั่นมันไ่เขใจมือขลาดขลาดขลาดเราคือเฮ้ยบาดีสง่าตายได้เหรได้ได้ได้ทีแบบาดมือเหรอ ย่น่มดคนนอีกบนี้บ้าคจะกเจ้าว่ะไมแวปยังที่เสาท่าะเอาแล้วน่ยแไหนเท่นยิ่่าคือก็คาซ้หน่มงอีกบ็ดำไม่ได้เป็นนนั้นไ่ได้อันไหนนั้นนนันมัน่วานาแค่ไอที่สอยาดต้งมีต้องมีว่า์ดิสก็อแนวคนมีอยู่ มันตียังสัน่นจริงอย่างนีทาน่านควาใจเพิ่ที่บ่มีว่าสนามันเห็นมันก็ได้งันเอายังมาให้ของดีของดีไปเลยเป <c oughs> ็นของเกี่ยวของียไปเลยคิดเหนี่วนเร่องมีหนี้เื่องมีทา่า น, อนากนอนคตรให้รู้จักคิดกินทีเจอหน้าต่ วาสนาไหว ส, สั่งก้อมดีเอาไว้มันเจน ม, มันไปก้นสิเกิดในสถานที่ทุกเนี้ยลำบากไปยังมีท่านของโคศกเป็นม่าน เ, นนเด้มีท่านคนว่าไหว่นเหลี่ยมใจยินดีก็ฟ้าประเกศกรโพดคือสมัย มีึฝ่าแหงนแหลงซื้อี่นี่แหบะวัวใหญ่ำให้ทำหน้าฮ่าอยากห้ากินหน่ยเขาหน่กมากแทงนฮะกินสะทานที่ได้ก็่ว่าให่ได้นี้ไปเมื่องไม่ประเทศไม่อันนี้ลูกอยู่ขึ้มืไปก็เนี่ยเดินทางเรื่อยไปละกระโดดข้อมหิ้วเขาหนามบัดได้กินหัวก็คิดแล้วข้างัวอ้วนนี้จะสิดินลูก เนี่ยผอื mm. ่มไปผเทียนกัน huh. อ uh ุ่มหลูกเป็นเหยื่ออุ่มไปอุ่มมากอบาดมีผื่อเสือกอุ่มอยู่น้ำฝนเนี่ยเหนแล้วเนี่ยกรย่างไปก่อนพอเนี่ยเสือกจิมข้าวปลาช่็นแล้วหลุหลุดหลุดน่อยไปหวดกวงหวดไกลเลยมีหวดเรืราบพัดเทียนกันเห็นเนี่ยอุ่มเนี่ยถามหาว่าจิ้แล้วจี๊กับมาเอาแบบใไันไก่อะ เหลือำนาจสมหิ้วหุ่ยขอยนางเหลือได้ไยนั่งเด่ก๊สองพวงเนี่ยท่านไปแต่เปขออาศัยโยน้ำเจ็ดถีว่าท่านมีท่านบาปกรรมของคนไปเจ็ดผีเพิ่งกัมีนยแล้วก็เป็นเจ็ดถีท่านไปยนหันเพื่อนเกิไปเป็นขาเพิ่นรับใส่หลังเคยหลางสร้างปัดกวด เนี่ยอันได้ห่เนาะโบมี่วัฒนาโบมี่วิ่าอันใดเนี่ยได้เหี้ยไตคือใส่ใส่ใส่ซอยก็ได้กินกุ้งปากกุ้งท้องไปเจอละมือเท่านั้นแั่นยูใสยูมาคระก็เจกพระพุทธเพื่อนมาสันจังหันทุวันมาสันจังหันบ่านเศรษฐีเนี่ยพอคนสันเสร็จแล้วสันยิ้มแล้วของเส็ยเท่นั้นแ่นเอาให้หมากินน เราได้ไปเห็นหมือที่นไปเห็นอันหมาชินเข่าเจ็ดบาทของพระเจกระ โ, ภโภทอขทมามันมีวาสนธบางี่กููหล า, า, ายตัวนี่ว ะ, ะัมันมกินจาห้องดีดีดีกูเกิมากก่กินห้องดีห้องดีตายนี่กูตายเดีเป็นหมาจิไข้แม้วะะ่าัวมีความจิดของเล่าเห็นหมาได้กินดีโตัวเลยไล่ไลอยากตายเป็นหมาเกิดโรคปัจจุบันตายเหรอัน่น ตายแล้วไปเกิดต้อนลูกหมาแน่นั่นอีตา ค, อาคุณเมียสอาถตายไปยแล้วเดีวสิมาเกิดเป็นมนุษย์อีกผู้นั่นสิมาเกิดเป็นลูกหมาสิมาเกิดเป็นลูกหมากเ ด, ก ด, เดเก็กกินดีเด็กินเชื่อว่านเพราะว่าเจกรก็ยังไ่หันหนีเฝ่าดูอยู่หน่นเต้นหมาตัวนั้นหักคข้ได้หักไข้พระ ก็เจีกกระหวดใจได้ค <descon fin anta> <đây> okay? ือคนไปนี่ม่อนท่านจะไปค่าวเพิงี้ว่านขาวหนังข่าวมีมากใได้บอกได้เหลี่ยมใจถ้าก็เจีกกระวดหลายท่านเยอะมากนาขยันมากพ่อท่รนมดาหมามันยั่ไวอย่างุกคนี้เดี๋ยวเดือนหกเดือนมันเกิดติมแล้วมีสองปีมันยันพอแล้วมา อันหนใหญ่มาอส้้วนถ้าว่าเจ๋ยก็พวดขึ้นเลยเร่ยล่าเจ็ดถีสิ่นี้ไปย่บนอื่นเจ็ดชีพกออาล่าจหน้าไหวเขาเหรว่ายุ่นกเหรอยุ่งไหมนุ่มหนาคอสงม้วนลรหละทางอื่นทางใจเขาก็จะท่าบุญตนทานชื่อกันจะมาคอล่าเจ็ดถีไปยอืนเถอะกัน แค่ายจังไรเศษผีก็ด really ีน้ามันก็สั้งอยู่หันเหาะอาไรชนไหวบ่ได้จังไรสรงเศษผไปอสร้างก็สร้งเศเมื่อไร่ก็มาสันขอบานเศษผีขึ้นกันมาบอากำลับานเศษผีมาได้ยิ่งก็เสียอกเสียใจแค่เสียจังไรคนีนี่จะแต่เชนี้ก็คยบุ้งจิตใกินเนื้ออยู่ที กูจิ้มยึดซึ่งน่งพ่ออาศัยเขาคนบาทเพลินพ่ออาศัยเบาทเพนกูจังไหนิ้มอยึดองอยังมีเหรอสัหมาเสียใจหลายพ่อเจาะยิางนั่นพอแขนเสียเป็นเกมของเบาทให้พวกคนหีไปตามไปเลือหมาสิไรมากก็บอกมาท่จาไหนก็บอก่างนี้เ็คนหยไปแทนไป มามันกไว้เรไปตามเดี่ยวๆคนเห็นทาสุโบนั่นก็ห่อท่อนเหลือหรอกห้อนี่จากหมานะก็ห่องน้่มหอนั่มใจขาดตายหรือก้อรโยมใส่ในพระภูบาลีศุขเด็๋ไปเกิดเป็นเทวบุธมีสวรรค์เสียงดังที่สุดเดี๋ยอำนาจห่องน้ําพระพรเจกระโจนจังวโคสกะ เทียงกระซิบดังในซิบหงโหนว่าเป็นเบาได้กระสิบคนอื่นมีดังในิบหงโยนกรันตามตำล่าคนเก่าว่าซิบหงโหนนึกเะหงโหนนู0นมันซีลเส่นมันไกลก็เนื้อเข้คนเงจะเท่เบากระซิบทากันซื้อไปยิ่งน่อยเน้อเขาคนเท่าอี๋ดังหดอุ่นเนื้อกรุงเทพด้ยไกลก็นันเสียงดังหลายเทพพุองค์เนื่อยอำนาจ เดืยมไสเอหัวนนัําพระกเจกะโพธิ์เสียงอันนั้นอันนี้สงูงจีไปเกิดที่เทวบุตรโดยแก้วเดือมไสขันมดบุญวัดชนะลงมาเกิดตามโต้าน้มหล่อหวานมาเกิดหรืมาเกิดนี่ยของของโซเท น, นี่ของยิ่งนมยจ้างยิ่งนายจ้าง บ, บ, บาป่าถนาบุตรอันนี้ลูกเหรอเขาบอกขายบ่ได้ขายยาก เมื่อมื่เกิดแล้วก็ท่านขาท่านที่สิบ ห, ห, หายเกิดอย่านั้นหายยาฮะท่านแข็งมันก็บวชหายคนถิที่เกิได้เกิดขึ้นน่ะเหนืออำนาจแร่งกรรมที่จะไหนก็บวชตายอเฉอลินวันนั้นสุดที่เขาไปส่งพระราชาแล้วว่า คืเรืเกิดหนหลวงนั่นทำหน้าราคูอเรยเกิดบ้านนี่ที่เป็นมหาเศรษฐีที่เป็นเ ส, ส้นหนังี่ที่ซุดเศรษฐีกับเมียกําล่างทองไงทองครเวลามันจะออกมือนั่นออกไปหาโ ห, า ห, าหานหานกลับมาเมียพยัญชนะอรุณไปได้ติดใจในขํามท่ายของโหนแข้คนในบ้านไปฮะคือเบางคนเกิดในมือนีน่นีอย่ไสนี่เขา คนเกิดอยู่บันไดแลหละเหตุสือมากที่แมาเรียงไหวเวียดใดญ่คนมีวัฒนธรรนีน่บุญบารมีมากน่าเป็นเจตีเนี่ยคมจิดคมอานเขินเป็นผู้ยิ่งกับหตุสือมากเป็นผู้ท่ายกเหตุสืมากขอคนเกิดในวันนี้เลยไปตามหาแล้วคนในบ้านเจตีผู้นั่นไปถ้านั่งผู้นี้ไปท้างนี้ข้านไปเหร แล้วไปพบเล็กน้อยเห็นเล็กน้อยขิมอยู่ในตองอย่างเงียยี่น้ามันออกเลยเล่าเลาไปิมไปขิมในกองอย่างเงียไว้แล้ว่อยากได้มาเรี่ยมมาดูเหรอพ่อพอผมนี่เนี้ยพอใครเอาเงินคู่ใดพแม่จ้างมันบงนี่พ่อปจํามเป็นย่างนั้นสามห้าคู่ใดกั เล้ยงหางก็ไปเห็นถามผู้ใดก็ บ, บุน้บบนี่เขาก็ได้หอบมากอุ่มากเศรษฐีก็มาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้หลายวันเขาแต่คิดเบื้องต้นหากอยู่ของเทานี่เป็นผู้ยิ่งนี่สให้เอาก็บักอันนี้พเป็นผู้ทายีว่าขันเป็นผู้ยิ่ ง, น ง, นนน ง, งห น, น, นึ่กันขู่ข้องเป็นผู้ทายก่สีให้เอาก็อีลุมเลี้ยงนี่นี่กล้องิตของเศรษฐีจะมาผู้ยิ่งก็ให้เอาผูา้ทายใจให้เอาคนก้มเกิดได้เงน เพราะถือว่าเป็นคนที่มีบุญนักสากไงขันใดๆคูไส้มากแต่ดว่าหลวกในถ่องต้งเนี้อสีออกเป็นคือนิ่งที่หันเรียงไว้ไปเรียงไว้มากถึงเวลามันจะออกออกงานเป็นผู้ใต้ขื้กันเชรจังไหลหันมันเป็ผู้ใต้ขื้กันขันเสียเอาไวแบบนี้มันเป็นคนมีบุญนักสากไงมันก็ทีเบียดเยนลูงไส้เข้าเคมบดคล้องเข้ากะที เยอะไปหมดไปทิ่แม่แบบนี้มาแทน่นมุ่น ม, มรโรดกของเขาคนบ้าขามันบ้าอะไรกคิดไล่ไม่พิกจากไม่เละเศรษฐีก็เห็เขาไปสิ่มถึงแล้วล่ะไปสิ่มไปท้านเขียนจะไปมึงไม่ลดเขียนเหยียบย่อมเส้าท่นหักคือคนไปสาถายไปแด่เศร้าเพราะขาดยียนเอาไปสิ่มไปเอนื่อมม ทยู่ในห้องเย็นเขาคลับเยนหน้าโบกจักวันทีไม่เหยียบตายเราก็เห็นได้เชี่มได้ห่ายงเต่าตีตีเขาออกไปขายแล้วกพอขาดียนทานไปไปห้องห่นง้ะจุดท่นตียังไี้ก็บไปไล่ยังไหนก็บอกม่ไป ัเงินเก็บอีหยั่งดันเงินกับคนบริญเน้อโลงมาจากเยงมาบึงไต่ไผ่ปีไผ่ฟอมบึงเห็นเด็กหน่อยดีใจอ้ตาอะไก็ดีนี้ไงจะได้มาจนได้อยู่จนสี่ปัญธอีตาบุ้งลูกอีอะแล้วก็คนห่วงคนแห็นันแทงอีกท่านเด็กเว่าผูนันได้ลูกได้เล็กคนนนไปเรียนแค่นี้กับมึสื่อจริงแล้วมันตายจริงมันบวจริง หลวจ้าว่อตายก็ได้ไปสื่อมากท่านนึงสื่อนั่งอีตานั่นมากล้วก็หายมากหมากมเลี่ยงเลยบ่านนี้เ็าไปชิมเฮ้ยพักตัวง้อง้อไม่ง้อขอบไงเวลาเอะไลงง้อมากไปสิมันเหยียบตายแล้วค่ะแาบนี้ง้อมากง้อแม่ง่ายหัวหนาออกมาเห็นหรื เมนบ่งองให้ดูดินนอมงอเอือนซิ่งออกบนไม่งอเจริญเหนบเหยื่จินน้อมมีองแสนแล้วก็บ่าตายแล้วเหรอเขางออกไปวัดแล้วงแน่เจริ่มันก็จาออกจากทีเจ้าของงอว่าเห็นก็เอาไปเลี้ยงอีกเลค่าไปซืออีกน่าข้าง น, าน่าผลบ่ได้ยากจะใย้ย่างขาดูว่าพวกเจ็บข้างมั้ เห็นเอาไปหินห้วส่วนบตายส่นตบทุกขั้นก็ไม่ไพ่อยูไปใสตัไปสนับว่ได้อยเขาบห้าสีอันนันแถนเอาไปเขาตาไหลเที่ยวเสรยีทั้นอกเมืองเป็นเที่ยวกันเป็นเผื่อนกันเป็นเสียชีวบันนอกเป็นคนรวยผู้ดั่งนโลงงานทำหา ขายเลยได้มีไงเลยได้บันมันพย้ยามขามอะไรสิระยานี้่างไงอายุยังหน่อยสกงลสีสามสี่ปีตามตราคนในตำนานสีว่าลู่เจ็ดนี้ก็ยัยแล้วลูกเจ็ดนิ้ไปเรียนการพนันเย็นบ้าเอาสั้นภาษาทางเฮ้าเป็นบักบ้าได้เสียเขาสู่เขาว่ได้ยันพรอยั่เียนไหน ให้เด็กน้อยมันก็ว่าให้หุนจับนังสือให้เอ๋แบบลูกใช่แบบลูกเรียงใส่ละคันแบบนี้มาถึงเราให้เออนู่เขาใจเอาหายใชได้หรือเป่าใส่ขาบ้างใช่ไหมเศรษฐีก็บ่จัว่าลูกของเศรษฐีนั้นเป็นผู้ใหญลูกเรียงเป็นผู้ใหญ่พี่ให้การใหับ้านน้องเรีนได้ยู่หันแบบลูกเศรษฐียรินจ้างเรีนได้ยุ่งหัน คิไปอย่างนเอาหงสืไปส่งไปเชียวนีน้าเโอ้ยให้เรียนาลุกเด๋เราคเขากะไรเอาเรยากแท่่น้หเยไปส่งแทนบอกว่าคคุณน้องคืเ็ีจริงจังขันเอาไปกับข้อบอกว่าบักวันคืนหนงสือานีเอาโยนาไห่แท้กำลังคบหายยุ่ไปกัเด็ีลไม่สั้น เอาบางี้ย้อนขอต้อหายเปนแล้วหอลูกคงเจ้าของย้อนขอต่อหายตายแล้วพี่หนีไปเลีนบ้านทายยุ่งเหินจนจะจนสวยจนอดจนหิวพอเห็นมาก็ได้กลับมาเฮี้นมาเฮี้ยนพอแม่เกิดกรลื่นกิ้ต่ามเป็นแล้วห่วยมึนช่ให้มึนอมนั่งเสียไปชงเขาต้องเพี้ยนกลับมาอุ้งต่องไงให้ด้วย พอแก่มทเเห็นแบบนั่นไม่เรียนไ้ยังไหบ้าว่าเรียนด้ลุกเลยได้ให้รับอาสาวาเสียไปทง่อยก็ได้เรียนไดาแค่นั่นนะฮะจกีว่าจะไหนเราห้องให้ถึงิตตายใช่แล้วก็สิตขาคนโตตายบัติตาเด็กหน่อยอยูกผู้อื่นผมว่ถึงหยุดโตตายเสียใจหลายันาดนั้น หนกไข่ไข่เจี๊บจ๊สิกิดจังไรพยายามขามาเสียเงินเสียทองแตสหน้าบ่ได้ผลสิบิบลูกตกกระซายอีกเ๊จังไรหั่นเจีใจแจ่มใจไรสวยสะสแก่แสะกินบะไรนอนบรับเหลืออยู่มากรายะนั่นเขานั่นเขาอะรนี่ดจะหมายให้อีกข้าวหนี่ป็นมุนหนีได้เป็นบาแล้ว แต <c oughs> ่ไปโซงเจ็ขบขี้แบบนู้นอีกเมื่ออื่นอีกขึ้นกันเขาเจ็บขี้อะไนี่ทักมี่ปวกนี่เคลื่อนจีรำด้วยเด้๋กันไลาข้นให้ใช้ย่ามขาแบบนี้อีกขึ้นกันนี่แหละจะขาวิธีใดจาโมได้มมไดคนจีให้ตายาเช่นเด้ยดไหนให้ไปอีกขึ้นกันมันไปโงไปโซงผมนี่จะกวนขึ้นจีบมีเสียว่าคอร์ดเสื่อา แค่ใส่ไอ้นนองสือท่านใจไปทังใส่เมื่อยไส่หอดกันเกอะไนขที่คือเรายูคงเศียชีเสียชีวิตอย่างทั้งฝุ่นอย่นี้มีสั่นรับไอ้อานาน้าอานหนใหไอ้พักนอนแล้วเขาก็อยู่จางอาหารการกินเยี่ยงดูหละไอ้ผู้ออน เมียภูถีไปน้ำกันถ้าศึกไปอยู่เป็นเรืจ้างเสียชีตายไปไปเกิดน้าเสียชีผู้นันท์มาเห็นเขาจับอกจับใจด้วยอํานาจปาสนาเกรเคยเป็นผัวเป็นเมียกันใช่ไหมก็เห็นเขาดูดลมจิตใจรักใครเป็นนื้หาเขาออกแกวสารมาเห็นเพื่อนนอนหลับอยู่ผููผู้ไศลผู้เห็นไปลงเชื้อไหม ไปพกคนนอนหลับแล้วก็มาเห็นทั้งไอ้แพะขวดไอ้นดงเอาเอยหันมันขวดอีอย่างนี้แล้วก็มาแจก้นถอย่างเดี้ยหละมาแจกอ่านบโหัวไรายเจนคนผู้นี้มันบุกไปจับหนังสือทุบเอาหนังสือมาเชิงให้ถ่ายจากของมวยังนํามมั้คนอื่นถ่ายจากของอยู่วะกันบรายหนังสือบราย สายเอียงจนหมอนีหนื่อยแต่ก้รักไข่พ้มแต่นี่ยฮะในใจมันมีเขาเห็นสัตน์รักอรอยู่โอ้ยไม่ไหวพ่อแม่เห็นแล้วล่ะเล่าเขียนใหม่เขียนหนังสือใหม่ว่าให้เอาลูกคนนี้เป็นเคยซักให้เอากันซะก็อยู่สาวโสดไปแจ้งงานกันเน่ยเรื่องของอันใดก็ให้จัดให้แต่ของเศรษฐีือหนุ่มเยี่ยวกับคนนี้เด้ แล้วเขียนจดหมายไปกันบดห้าตื่นมากคุณนันตื่นมากเลยเขาก็ห้าข้อห้าป่ามาเรียงแต่ถามว่ามาเชียงไหนไปเชียงไหนว่ามาโซงน้อสือพอเมียมาพร้อมหนากันแล้วก็น้องสือหินออกให้เบินใเดิกับบ้านให้เป็นลุดสวยให้เอาเวก็หลุดสาวตัวหลุดต้ห้องสี่มาโงจดหมายหนีแล้เขาก็ดีใจแล้วแต่จ้งงานกันอดกันเลย อย่างไงยางโสด้ยินงเป็นหอดเกียจีแห่งเจ็บใจไงป่วยหลายระบัดพขพยายามถใายตายเขาคนเอาไปหลุดเคยสั่มผมมีท่งกูบันหัวป่วยนัดโถนัดโถเจสซีไลจังเลยเลยมนฮะไก่สีตายถ้ากันนาเบิ้งเห็นแ้วหรอสองป้วนนี้ปูยาสีตายนาเบิ้งยีน่าอหนึ่งแล้วหัวสลัดแดนไก่สีตายไก่สิขาดหน้า ผู้หนึ่อมีลูกผู้ใดมี่ลูกพูนถ้ำผู้เดียวูลูกแค่เขเอาไปเงนเตาไฟตายแล้วนั่งเขียนยนกัมเจดไนว้ยกบบกูเหนแล้วะเวยใส่หมอนหนฮะูตายแล้วสมบัติทองเวชองเทานี่ที่มอบให้ลูกผู้นั้นผู้เดียวบาให้ผู้ใดสัญญาบ่านี้ลาก ตายไปกันแล้วได้เป็นเศรษฐีทั้งสองเจ้าเห็นไหมครับ พ, พอเถาก็เป็นดุเป็นเศรษฐีผู้นี้ก็เป็นเศรษฐีเพิ่มบาทเลยอมะฮอบเพิมเล่านี่เนิ่มที่นีบุญไปแง่ขาไปไหกนกบฏตายบริยนนั่งซื้อนังหาเอียงกัได้เป็นเศรษฐีเป็นผู้ดีวิเศษมีอำนาจบาทสน่บุญบาลมี่คนว่ามันมองหากันกร<อ>เห็น มันบอกไลายนอกคือไล่เสือลายบุญบาลามีมันอยู่ในไงมีไรนีบุญหรอเช็ดเอียงเมื่อกับพ่อเจียนพ่อไปพ่อได้พ่อรวยเช่นข้อยี่่าสิอย่างอย่างไรเมันจะบบอกเช่นขาวเช่นสมัยเมื่อกับบอกตายเนินโบควนขวยห้าก้มบัสคาแสธานยินเล่นก็เล่นก็ะไรมันกระไล่ม้านี่เป็นบุญอันนาท้องบุญยากินอาหารแท้ นัเก็ังฟันเห็นใจว่าถ้าการแสดง้าบุญผู้ได้มีบุญหล้วมันมีข้อสุขมันไหลมาเองเป็นไปเองนะฟันผูบมีบุญวัชนาดีลนกระล้นกไล่ไปนั่สายซาตาวงมาถือเงี้นงย่าของเก่ามาถืูกของเก่าเหนจฮะ อยากหากินเขาให้งนให้องมาแก้หน่อยแผ่นเห็นซักแผ่นฮะเต่าก็แลนั่เอาไปต่างใบก็ไปเหาล่นซะเล่กบ่อยเหไปยิ่นมาเอาสบัดกันไปถืเกียวบ๊กจัดขอสังก็ได้โทษน่ะนั่นก้นบะมี่วาดศาสนาคนว่าเป็นจังไห่ต่างวัดศาสนาหาบุญหาผูสใจแนวใจมันจะเป็นบุญเันผู้สไห่ นี่เจิดนิ่งถเอาเหมือนยังมีซีดอยูุู่่ศิลปี่บุญนี่สแต่นะนี่กุสนเท่ายใเด่ะมันสุกมันสบายอยู่สถานที่ใดกันนี่ก็ุกของเงินทองแต่ังหน้าไหล่น้าพออำนาจสาตนะบดินกุสซนเดินบุญเวัดท่านนาบาลามีศิลาบาลามี สี่พระผู้ได้เจ้าเฟินสามท่านก็เป็นเดี่ยงสีนั่มสมบัดพัดกระทานไม่ให้เก็ดพวได้ศาดได้กระบวอย่างอยากยนต์เพราะอานาจผลบุญที่สางไว้ได้มากหาไงอันนี้บุญวัดนาดินลนต็วนก็วไากันได้กระายสั ท่นทีสี่ใบบ่ได้แท่นทีสีดีบ่ดีเนี่ยชื่อบุญบาลนี่ศาสนาของเฮาบบนีอย่างไดมันก็บ่ได้อย่างลวดมันก็บวรวดเจ็ดชืคนของบ่ได้ซื่อคนมาว่าเฮ็ดอันใดมันบ่เป็นบ่ไปหายแท่งที่เฮ็ดใดแท่งใดมันก็บ่ล่าบ่รวดกันหล่าลวดมากได้มากผมนีท่งทิพยหายเหร มันไม่พอสิต่อย่อนต่อการไปได้เพราะพอวอร์เพย์กินมากแบบนี้แน่นอนมากัดแน่นี่ะกินทำให้คิดหายวพวงยูยางนั่นย่งบ่เกี่ยบ่โตบ่ห็นบ่เาาคู่ควคนบ่มีวแต่นะาเนว่าคนมีวัแต่นะค่อยเป็นค่อยไปค่อย กคเนี่ยคอลาบากลำข้ามเห็นไหมครูมาสวยนะต่างไหมต้องขอสงหาได้นี่หนาหนี้ตาหนี้ยันมีเท่านี้ปีหนี้ของหนาบุญสินท่านนันเป็นบุญยังน่ะพรูใจเจ้าคนต่างมากคนยังสอนโลกทั้งหลายเหตุการณ์เหตุการท่าบ่อยใจของคูใหุ้ารมันใจสั่งใจขวังคนใจแกรบใจ จีบใจตันกันเฮ็ุบ่ได้ทำบุญทุนท่างกันเฮ็ุบ่ได้ใจมันแคบช่างเขางั้นใจแคบเพราางออกเป็นโบมี่ชางเขามันก็โบมี่คือกันแั่เลไาตัวเป็นบุญเป็นขุนสวนหายโมี่ช่างไหลมากนันกับโมีข่ามีข้านีจิดมของพี่ั่นทำเปนโมีวามคิดก็ะพู่ก็บหมดม กำลังว่างซาค่ะรุ่งกระดืดถึงนี่เยู่กับสี่เจ็ดสี่ข่านมันไปทุกอย่างไงล่ะตากับฟ้ากระฟังเป็นฟองดีค่ะกลายเป็นฟองซวยใจก็ะมือกระดำเป็นแจงปัญใดน่กระโบแจงไงเพราะมือมันดำดำมันโป้กมันจีดได้เยอะมากค่ะเป็นท้างนอกนั่นทันทีฮันไหนเมียแม่ เรืพอนแม่เขาก็ว่าเป็นคนดีแบบนั้นกนี่ตัวเหจ้งเงี้ยังตัวยังม่จ้งเียดจ้งงานจ้งดีแจ้งตัวอันใดไี่ตัวนั้นช่ังหานทรับป็นคนเบอกนอนตอนไงเพราะว่าจบห่าเกิดเป็นเกณฑ์ผู้ไรเกิดเป็นคนใจแปรปากแข็งขืนทุกจรทุกยางนั่นแหละระว่าิาสตของหามันเป็นทาน้องนัน ได้อันนี้ก็บเป็นไปในช่างดีไห่เพราะวาดนะตั้มวัดชนะเสือวัดนะเสียเป็นจ้าแหงคั่ง้นหน้าซ่อมดีเอาไว้ทัท่านก็มีสัง่งทีนก็ดีสัง่งจันย่าก็ดีภาวน า, า้มใจคือสัง่งค่อมดีใคเตื อ, อไวอหวผู้นี้ซ่อมดีแหละซ่อมดีเลยอไหลมนาะเป็มมา แยกอะไรข่ามอะไรกันเจ็นไปตามก้องมุงมาตากนาคนมีความดีเจอ่างการอ่างเวล่าไม่อยากยากต่างยาได้มันจะเปียนไปพวได้ทกคนได้เพื่นดีเพื่นเศษดีเศษเพ้่นต่างคพื่อนทามเอาสีเป็นเศษพวุธเศพธิดากระางเอา จิตไปตกหน้าโลกเอาเวทีกับสร้างเอาโลกสร้างโลกมนุษย์ใครอยากไปจิดใต่จิตเหนือไปได้โคดไม้บ่เลยกันกลางไว้นี่เขามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้านองเดียวกันเขาอยากไปหน้าโลกมกใหม่ก็ไปได้เขาอยากเป็นเปรตเป็นผีก็ไปได้เขาอยากไปเป็นสัตว์ก็ไปได้จะข้ามอยากไปในายตามมันบปนี่การกระทําำหรือบงบอก จะอยากไปเป็นเสดพระุตรเสดพระธิดาเป็นพระเสด็จดาเศรีท่าท่นานะทาอาหาก็ได้กฎพิดตามดีดล้อยตามถนนทนาทางทีพระพุทธเจ้าสอนไหวสอนไ ห, นทหน้ทุกเนี่ยทุกอุ้มท่าพระพุทธเจ้าสมบูรณ์บริบูรณ์น้งนีขอได้ขาดตกบกห้่องคนที่จะไปเาหน้าโลกบมกใหม่เพราะท่ามคว่ำบ่ดีทิด ยิ้มชิดท่ามทิดท่ามสอนเขาพูดไปเจ้าบ่เจียงบ่ออายบ่อหย่านบ่อกลัวบาปกรรมต่างๆใจก่าใจหันในดันตัวฝ่าล้าะเวลาท่ามใจเหล่ามันเป็นแผลผันเทาได้ฮะเอาใจพื่อ้องน่ะแหละให้เลาให้รอดมนถ้าสิรลมสิตายกับนี่ผู้ หลากผูดึงผู้ลูกผูมาดไปแล้ ว, น, น, น, ว น, น, น, นั่นกกนั่นีตินิดก่อนปิดตายเห็นผู้นั่นผู้นี้น่ากลูกน่ามัดนะคุดมาหลากไป่ฝนถี่ถี่กับไปตกน่าลกมกใหม่ในรับทุก ข, ข่าวเวทานาเดือดร้อนผู้สิเป็นเสดเป็นผีกระทน้องเดียวกันเจ็บตัวสาล่ามกวัด เกิดมาบอกสั่งคุณงานความดีอันใดเจ้าเอาครองเรียดเบียนก่อกจกพิ่งางๆว่านี่คว่มซื่อสารซุดปรลิแต่เป็นเขตเป็นผีเท่านี้โดยมีศีลไม่ท่ามคือเขตเพื่อผีนี่งจังหวัดคนผีโดมีศีลไม่ท่ามนี่ความดีเดี๋ยวคนเราเขษต่อผีผีนักก็มวน่าลก จริงเราหนีเมื่อี้คุณได้ป่าชนะใจมันถึเปนมากหลือกรรมี่ท่ำไหวเมือนจังสอนเหละหเวีนทางตัวมีเฮริความายบาปวตเปลค่อมกลัวบาบถึงเราสีท่ำเนี่หลับปันไหลวินโบเห็นเท่าก็เห็นอยู่มาเฮาท่ำเสือท่ำเสียไหมีค่อมไออยู่ในใจเรโบก้าท่ำทั้งขี่หลับขี่แกเมื่อบวกก้าท่าเสือยังจีนก็รักษาได้ ให้บริสุทธิ์พอคนกลัวเลียก่อเสียห้างหี่ไปสู้ยุคติตแต่จิตเปิดท่างให้โมจิบังไหวพอใจนีฮิริโอตตะะใจหอมตอมใจเจ้าสาวล่าโมกโมกใหม่ใจโ่คิอันใดนี่ตังแ่โลกถับถงจิตใจนี่อยากได้จะคร้องเพลินจะคลองตัว หลบมากหลบหลายแตเลยเกิดท่ำหัวท่ำเสียไปทุกอย่างเห็นแล้วหลบจึงหลบของเกิดเป็นขีดกระโม่คูล่าหลกมีเดหลบการแตเกิดมีสู่มีหัามีเนื้อหลายขั้นเป็นเนี้อความโลกความเปลี่ยนในจิตในใจของคนเข้ามาไว้ยามคิดอ่านละถอนมั่งแ